อคนปลอกลอกสองคนดีแต่พูดสามคนหัวประจบสี่คนชักชวนในทางชิบหายมิตรทั้งสี่จำพวกนี้ไม่ใช่เป็นมิตรแท้แต่ว่าเป็นมิตรเทียมคือคนทุกคนไม่ควรครบถ้าเราจะพูดให้เข้ากับคําว่ามิตรก็คือว่ามิตรปลอกลอกมิตรดีแต่พูดมิตรหัวประจบมิตรชักชวนในทางชิบหาย มิตรอย่างนี้เป็นมิตรที่เราทุกคนควรจะหลีกให้ห่างไกลเพราะหากว่าผู้ใดไปคบเข้าไปสมาคมเข้าแน่นอนที่สุดมีแต่ทางหายนะมีแต่ทางเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศและวงตระกูลทีนี้ก็จะได้ขยายในคำว่ า, ามิตรปอกลอกคือมิตรอย่างไรมิตรปอกลอกนั้นยังมีลักษณะอยู่สี่อย่างคือหนึ่ง คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวสองเสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มากสามเมื่อมีภัยแก่ตัวจึงรับทรรมกิจของเพื่อนเมื่อมีภัยแก่ตัวจึงรับทำกิจของเพื่อนข้อสี่คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวนี่เป็นลักษณะของอมิดปลอกลอกคือมิดประเภทนี้ก็หมายถึงว่า มีแต่จะลอกคราบเราไปหมดนะทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแก่ดไดนะ้ยังบอกเลยว่าเห็นแก่ดได้ไฟเดียวพวกนี้ก็คือว่าทำอะไรก็มุ่งเอาแต่ได้เอาแต่ประโยชน์เป็นคนเห็นแก่ตัวนะการเข้าไปสมาคมกับใครนั้นมิตรคนนี้ก็คือว่าคอยลอกคราบมิต์อยู่ตลอดเวลาคอยช่วยโอกาสเอาเปรียบเพื่อนฝูงอยู่ตลอดเวลาคือแม้จะลงทุนอะไรกับเพื่อน ก็เรียกว่าตัวเองนั้นยอมเสียแต่น้อยแต่ว่าคิดเอาให้ได้มากนี่เอาให้ได้มากเรียกว่าคนอื่นเขาลงเท่าๆกันแต่ตัวเองนั้นลงน้อยแต่ผลที่ได้รับก็คือว่าเอาให้เท่ากันมิตรอย่างนี้แหละครบไม่ได้นะใช้ไม่ได้แล้วเมื่อมีภัยมาถึงแก่ตัวนะก็จึงทําเป็นว่ารับช่วยเหลือกิจการของเพื่อนฝูงเพื่อต้องการให้เขาเห็นใจในตอนที่ไม่มีภัยมาถึงตัวนั้น ตัวเองนี้ไม่คิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะไม่คิดที่จะอบเอื้ออารีเอื้อกูลคนอื่นแต่เมื่อยามมีภัยมาถึงตัวนั่นแหละตัวเองทําเป็นว่าอรับเพื่อนฝูงบ้างนะสนใจงานของเพื่อนฝูงบ้างอ่าเรียกว่าบอกเพื่อนเลยว่ามีกิจอะไรที่จะให้ทําก็บอกนะอยินดีจะช่วยเต็มที่นี่มิตรประเภทนี้เขาเรียกว่าเมื่อมีภัยมาถึงแก่ตัวเองแล้วก็ พยายามเรียกว่าหาโอกาสที่จะไปช่วยเหลือเพื่อนฝูงทํากิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างมิตรประเภทนี้คบไม่ได้อีกเช่นกันนะแล้วก็ประเภทที่เรียกว่าคบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวนะเขาคิดดูแล้วว่าที่เขาจะคบเพื่อนคนหนึ่งคนใดนั้นถ้าหากว่าไม่ได้ประโยชน์เขาไม่คบเนะี่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้เปรียบเขาไม่คบหรือถ้าเขาไม่ได้ชื่อเสียงเขาไม่คบ ฉะนั้นเขาต้องดูดูว่าเพื่อนคนนี้คบแล้วได้ไหมถ้าได้เขาคบถ้าคบแล้วเขาไม่ได้หรือเพื่อนนั้นรู้ทันเขาไม่คบด้วยนี่นี่แหละคือมิตรที่ปลอกลอกนะมิตรอย่างนี้เราควรหลีกให้ไกลนะมิตรประเภทนี้ก็เปรียบเหมือนกับพวกอสรพิษนะใครไปคบเข้าสมาคมเข้ามันก็มีทางแต่ยหายณนะ หรือถึงที่สุดก็คือตายนะถึงที่สุดก็คือตายนี่แหละเขาเรียกว่ามิตรปอกลอกทีนี้มาประเภทที่สองที่บอกว่ามิตรดีแต่พูดนะไอ้มิตรดีแต่พูดก็คือว่ามันมันยังมีลักษณะออกไปอีกสี่อย่างก็คือว่าหนึ่งเก็บเอาของล่วงแล้วมาปราศสยสองอ้างเอาของที่ยังไม่มา ยังไม่ยังไม่มีมามาปราศัยสามสงเคราะห์ด้วยดีหาประโยชน์มิได้นะสงเคราะห์ด้วยสงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์ไม่ได้สีออกปากพึ่งไม่ได้นี่เป็นลักษณะของคนดีแต่พูดไอ้คนดีแต่พูดก็คือว่าพูดแต่ไอ้สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะไอ้สิ่งที่มันเป็นไปได้เขาไม่พูดนะเพราะอะไร พระพวกนี้กลัวจะเสียประโยชน์ของตัวเองนี่กลัวจะเสียประโยชน์ตัวเองฉะนั้นก็พยายามเอาไอ้สิ่งที่ล่วงล่วงแล้วมาปราสัยว่าตัวเองนั่นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เคยช่วยเหลือเพื่อนฝูงอย่างนั้นเอเคยทําประโยชน์ให้กับคนที่โน่นคนที่นี่นี่มักจะพูดไปอย่างนั้นเรียกว่าพูดไอ้สิ่งที่มองไม่เห็นว่างนั้นเถอะไอ้สิ่งที่มันล่วงมาแล้วบางครั้งเราไม่รู้เรื่องสักหน่อยแต่เขาก็อ้างว่าเขาทําประโยชน์ที่โน่นทําประโยชน์ให้กับคนนั้น ทำประโยชน์ให้กับคนนี้ได้เสียสละช่วยเหลือคนโน้นเสียสละช่วยเหลือคนนี้เนี่ยเขาก็เรียกว่ายกแม่น้ำทางห้าขึ้นมาว่ากล่าวนะอย่างนี้เลยเขาเรียกว่าคนดีแต่พูดนะแล้วก็พูดแต่ไอ้สิ่งที่เรามองไม่เห็นไอ้สิ่งที่มันแล้วมาแล้วบางทีต้องมารู้จักกี่สิบปีนะก็เอามาพูดนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะอย่างนี้เขาเรียกว่าคนดีแต่พูดมิตรดีแต่พูดนะ แล้วในที่บอกว่าอ้างเอาของที่ยังไม่มีมาปราศัยคืออะไรคือพวกนี้ก็คือว่ามักจะเป็นคนฝันหวานนะเป็นคนเพอ้อฝันอ้างเอาสิ่งของที่ยังไม่มีมาปราศัยพยายามสร้างว่าถ้าหากว่ า, เ, าเราทำอย่างนั้นมันจะต้องเกิดผลอย่างนี้ทำอย่างนี้จะต้องเกิดผลอย่างนั้น เ, เรียกว่าพยายาม พูดวานล้อมทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับว่าเป็นคนนี่มีแต่แผนนะมีแต่แผนมีแต่โครงการนะแล้วก็คิดว่าไอาโครงการที่ตัวเองคิดเนะี่ยมันจะต้องออกดอกออกผลนะมันจะต้องเป็นไปในรูปนั้นมีแต่ทางเจริญมีแต่ทางก้าวหน้านะซึ่งจริงๆแล้วก็ไอสิ่งนั้นมันยังไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เลยนะไม่เป็นไปไม่ได้เลย ในกว่ายังมองไม่เห็นเลยยังเป็นลมๆแรงๆอยู่นะเขาก็จะอ้างเอามาปลาใสยประเภทที่ 3, สามส่งเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์มีได้นะบางครั้งในเขาจะช่วยเหลือเราก็ไอสิ่งที่เขาช่วยเหลือเรานั้นมันไม่มีประโยชน์ไม่มีค่าอะไรเลยนะถ้าเป็นสิ่งของมันก็ไม่มีประโยชน์แกเรานะไม่มีประโยชน์แกเราเป็นของกินก็เรียกว่ามันแทบจะไม่ได้ ไม่มีคุณค่าอะไรเลยแล้วเราก็ไม่ต้องการด้วยไอ้สิ่ง <ars> นั้นน่ะนะไอ้สิ่งที่ดีมีประโยชน์เขาก็ไม่ให้เนี่ยเขาก็เอาเก็บไว้ของเขานี่ยเนี่ยพวกนี้พวกเห็นแก็บตัวนะเอาเก็บไว้เกับเองนี่อย่างนี้แหละจัดว่าเป็นประเภทว่ามิตรดีแต่พูดนะเรียกว่าไอ้ของที่มันมีประโยชน์ของกินของใช้หรือของอะไรก็แล้วแต่อย่างนั้นเขาไม่เอามาให้เราที่เขาให้เรานั้นเขาให้แต่สิ่งที่มันไม่ไม่ไ ม, มีประโยชน์ไม่มีค่าไม่มีราคา แล้วก็ใช้ไม่ได้ด้วยประเภทที่สี่ออกปากพึ่งมีได้ถึงค่าวเราจะขอพึ่งพาบารมีมั่งพวกนี้ก็อ้างเลยบอกแม่รู้สึกว่าตอนนี้เดือดร้อนมั่งนะตอนนี้มีกิจที่จะพึ่งทํามั่งแม้ตอนนี้กําลังใช้เงินเชียวแม้ตอนนี้จําเป็นจะต้องอเตรียมตัวเอาไว้เดินทางไปโน่นไปนี่เนี่ยเขาจะอ้างเลยเรียกว่าพึ่งไม่ได้เลย เพึ่งไม่ได้เรียกว่าเราเราจะอ้างขอร้องโดยประการใดเขาก็จะพูดบายเบี่ยงไปโดยวิธีการต่างๆเพื่อเอาตัวรอดนี่แหละคนประเภทนี้แลเขาเรียกว่าคนดีแต่พูดน่ีิดีแต่พูดพึ่งไม่ได้ประเภทที่สามที่บอกว่ามิตรหัวประจบคือเรียกว่ามิตรประจบซอฟพลอประจบประแจงว่างั้นเถอะนะเป็นประเภทประจบประแจงอันนี้เราเห็นเยอะ บางคนก็ออกหน้าออกตาซะจนเกินไปนะไอ้มิตรหัวประจบนี่ก็คือพวกนี้เป็นประเภทว่าไม่มีปัญญานะไม่มีปัญญามีปัญญาในทางที่รู้จักประจบสอพลอยอย่างเดียวนะบางครั้งถ้าไปโดนเจ้านายที่ประเภททีเดียวว่าชอบคนประจบชอบคนสอพลอด้วยก็เลยพลอยไปกันใหญ่พวกนี้เลยมีบุญญาวาสนาได้ขึ้นสูงได้เลื่อนขั้น ได้มีลาบมียศขึ้นมาแล้วคนพวกนี้ยึงไปมีลาบมียศเข้าก็ขอประธานโทษเธอะจองห้องพองขนยิงยโสโอหังยกใหญ่เลยนะแต่ตัวเองไม่มีความรู้อะไรเลยนะไม่มีความรู้อะไรเลยคือมิดหัวประจบ ก, ก็มีลักษณะอยู่สี่อย่างคือหนึ่งจะทำชั่วก็คล้อยตามนะจะทำดีก็คล้อยตามตอนหน้าว่าสรรเสริญรับหลังนินทา น, นี่อย่างนี้เห็นมีเยอะแยะ นะเราจะเห็นมีมากอืาพอพอใครมาคิดที่บอกว่าเราควรจะต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้คล้อยตามบอกเอาดีอ่านะดีไปหมดเขาใครบอกว่าทําชั่วก็บอกดีแตมันต้องแต่แก้แค้นบัง่งนะมันจะต้องอ่าแก้เผ็ดแก้มันอะไรกันนี่นี่พวกนี้เรียกว่าคล้อยตามไปเรื่อยอ่ถ้ามิตร ด, ดีเขาไม่คิดอย่างนั้นหรอกถ้ามิตร ด, ดีนะถ้าเพื่อนเขาคิดในทางที่ไม่ดีเขาก็รู้จักยับยับ้งนะรู้จักยับยัง้งว่าอย่าทําเลย อมันเดือดร้อนอมันเกิดทุกข์เกิดโทษแต่นี่ไม่อย่างนั้นเอาเรื่อยเนี่ยคอยเอาใจเรียกว่าคอยเอาใจเอไม่อยากขัดใจเนี่ยประเภทนี้ก็เรียกว่าขอประทานโทษจะหายันตด้วยกันเพื่อนชิบหายก็ชิบหายด้วยเพื่อนดีก็ดีด้วย น, นี่ใครชักชวนทำชั่วก็ร้อยตามบอกเอาเอาเป็นเอากันเนีนี่เอาใครมาชวนทำดีเอากร้อยตามบอกดีเนี่ยดีทางนั้น นะเห็นดีก็เขาด้วยว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เออยกย่องเลยบอกแหมคิดดีจังอย่างนี้คือคนประเภทนี้เขาเรียกว่าประเภทหลักลอยนะเขาเรียกว่าไม้หลักปักเลนนะไม้หลักปักเลนหรืยทําตัวเป็นต้นอ้อนะลมจะพัดไปทางไหนก็ไปเอาพัดกลับก็ไปพัดไปข้างหน้าก็ไปพัดไปข้างหลังก็ไปข้างข้างก็ออกไปประเภทลมเพลยลมพัดอันนี้ไม่มีเหมือนกับเรือไม่มีหางเสือนะ แล้วแต่ลมมันจะพาไปทางทิศไหนก็ไปก็เขาเรื่อยมิตรอย่างนี้เขาเรียกว่ามิตรหัวประจบแล้วต่อหน้าก็ว่าสรรเสริญ น, นะตอหน้าสรรเสริญยกย่องเพื่อนแหมเป็นคนดีมากเป็นคนเด่นมากมีคนยกย่องมีคนนับถือมีคนเคารพมีคนบูชานี่มิตรประเภทนี้รู้สึกว่าเป็นพิษเป็นภัยมากนะเป็นพิษเป็นภัยมากเอาแน่นอนไม่ได้ พอคนน้อนมาปรึกษาว่าอาอย่างนั้นดีนะอ้าวดีเขาด้วยอ้าวพออยคนมาทางท้วงบอกไม่ได้นะทําอย่างนั้นไม่ดีอ้าวไม่ดีด้วยเนี่ยไปอย่างนั้นเขหมดเลยเนี่ยใครว่าดีก็ดีใครว่าชั่วก็ชั่วมันไม่มีจุดหมายเลยไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองนะมิตรอย่างนี้แหละเขาเรียกว่ามิตรหัวประจบมิตรประจบสอปลอใช่ไม่ได้และแถมว่าตอนหน้าสันเสริญแต่รับหลังกลับนินทา พอรับหลังก็อ้างแล้วว่าเป็นคนอย่างนั้นว่าเป็นคนอย่างนี้นีเนนนน่เป็นะอย่างนั้นไปเออใส่ร้ายเลยใส่ร้ายป้ายสีโทษอย่างนั้นโทษอย่างนี้เลยเอนี่แหละมิตรอย่างนี้แหละมิตระจบสอปลอนะเป็นคนโง่เป็นอันธพานนะคบไม่ได้นะครบไม่ได้นะไไดแล้วก็ไอมิตรอ่าเทียมประเภทที่สี่ก็คือว่าไอ้มิตรที่ชอบชักชวนไปในทางชิบหายนะ เช่นชักชวนไปไงอา้าวไปดื่มน้ำเมาเอา้าวมิจชักชวนไปเที่ยวกลางคืนอา่าชักชวนให้มัวเมาในเรื่องการเล่นอา้าชักชวนให้มัวเมาในเรื่องการพนันนี่อย่างนี้ก็หมดเนื้อหมดตัวมีมาซเยอะนะมีมาเยอะเลยอย่างนี้ <c oughs> เคยเห็นมามากบางคนไม่เคยดื่มสุรานะไม่เคยดื่มสุราแต่ปรากฏว่า ใหมิตประเภทนี้ก็ชักชวนให้ดื่มสุราอ้างว่าเป็นลูกผู้ชายมันต้องดื่มสุราเนี่อ้าวถ้าเป็นวัยรุ่นผู้หญิงก็บอกอเดี๋ยวนี้มันต้องทันสมยัยเป็นผู้หญิงมันถ้าหากว่าไม่ดื่มสุรามันก็ไม่ทันสมยัยไม่ก้าวหน้าน ะ, อ, ะอย่างเช่นหนังสือพิมพ์ลงเมื่อวานเนี่ยอ่มีดาราภาพยนตร์อ่ามีชื่อเสียงอ่ทั้งอ่าจอแก้วจอเงินะมีชื่อเสียงโด่งดังไม่ต้องออกชื่อท่านก็รู้ เรียกว่าน้ำท่วมบ้านนะน้ำท่วมบ้านก็เลยไปขออาศัยบ้านเพื่อนอยู่ไปขออาศัยบ้านเพื่อนอยู่ปรากฏว่าเข้ามาอาศัยบ้านเพื่อนแล้วก็เอะอะโวยวายชักชวนเพื่อนหญิงเพื่อนชายมากินเหล้าเมายากันส่งเสียงเอะอะจนกระทั่งเจ้าของบ้านทนไม่ไหวคนที่อยู่ใกล้ๆบ้านก็ทนไม่ไหวนะเพราะไอ้ความหนวกหูความรำคาญเพราะสมเลเทเมานี่ ผลที่สุดเจ้าของบ้านเขาก็ยื่นคำขาดให้ออกไนะล่ให้ออกตัวเองก็ไม่พอใจหาว่าเจ้าของบ้านทำเกินไปจริงๆแล้วเจ้าของบ้านไม่ได้ทำเกินไปนะเราทำเกินไปมาอาศัยบ้านเขาแล้วไม่เกรงใจมาชักชวนเพื่อนหญิงเพื่อนชายมามั่วสมกันกินเหล้าเมายานี่ลืมนึกถึงฐานหน้าตัวเองว่าเป็นอะไรตัวเองนั้นเป็นดาราเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนของประชาชนนะ เมื่อเขาให้ออกตัวเองก็น้อยเนื้อต่ําใจเอาน้ําปลานี่ราดไปทั่วพื้นห้องกลิ่นเหม็นพระคลุ้งหมดนะแล้วก็เอามีดไปกรีดที่รับที่ทนอนเขานี่เป็นคนอะไรเขาให้ที่พักเลยยังไม่รู้จักบุญคุณแทนที่จะเจียมเนื้อเจียมตัวแต่ก็กลับไปให้ร้ายเจ้าของที่นี่แหละเขาเรียกว่าคนเนระคุณคนอักตันอยู่คนอันถภามคนอย่างนี้เพื่อนอย่างนี้เป็นเพื่อนที่ ทำแต่ในทางชิบหายคบไม่ได้นะคบไม่ได้ในสมัยพุทธกาลก็มีมีลูกเศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์ตั้งสี่สิบกอนะมีทรัพย์สี่สิบกดปรากฏว่าตัวเองนั้นไม่เคยดื่มเหล้าเมายาการพ น, นันก็ไม่เป็นนะการเาที่ยวกลางคืนเที่ยวไรไม่เคยมีทางนั้นปรากฏว่าก็มีนักเลงสุราก็เลยมาทักชวนว่า ตเองนั้นเป็นคนมีเงินน้อยถ้าหากว่าเราไปดึงลูกเศรษฐีนี้มาให้ติดสุราดื่มน้ําจันทด้วยกันว่างั้นเถอะนะมันก็คงจะได้อาศัยเงินของเศรษฐีนี้กินไปได้อีกนานปรากฏทีแรกก็ไม่กล้า ก, กินหรอกลูกเศรษฐีนะแต่พอถูกเพื่อนแค้นนะเขาเขาบอกว่านี่เป็นน้ําจันนะน้ํานี้มันเป็นน้ําทิพย์ใครกินไปแล้วแหมมันอร่อยอร่อยทำให้มีความกล้าวกล้า องความองค์อาจอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยทีแรกก็จิตไปทีน้อยๆเพราะว่าจิต บ, บ่อยๆเข้านะเข้าก็ชักติดเขาแล้วพอติดเข้าไปแล้วเป็นไงท่านผู้ฟังไอเงินสี่สิบโกดนั้นไม่มีความหมายเลยหมดนี่หมดเนื้อหมดตัวนี่เพราะเล่านี่แหละจึงบอกว่าขอประทานโทษทิ้งเขาจึงเรียกว่าน้ําเปลี่ยนนิสัยน้ําชิบหายน้ําหายยันะใครไปติดใครโอ้ใครไปหลงเข้าก็หมดเนื้อหมดตัวทั้งนั้นฉะนั้น สังคมเราทุกวันนี้จะเห็นว่าคนเรานี่ต้องเส้นเนื้อประดาตัวก็เพราะไอ้น้ําประเภทนี้นะไอ้น้ําเปลี่ยนนี่ใสนี่แหละที่เราแก้กันไม่ตกคนหนึ่งกินทีเดียวกินได้เป็นขวดแต่ถ้าเราจะเอาน้ําดีๆน้าําใสๆน้ําฝนมาให้กินทีเดียวขวดเนี่ยเรากินกันไม่ได้เนี่ยมันเพราะอะไรก็เพราะมันมัวเมามันขาดสติไอ้คนขาดสติมันทําชั่วได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะทาได้ทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นในมิตรที่ชอบชักชวนคนไปดื่มน้ําเมา ไม่ใช่เป็นมิตร ด, ดีแต่เรากลับมายกย่องว่า น, นั่นแหละคือคนดีนะอันนี้ก็ขอฝากไว้เป็นข้อคิดนะไม่ใช่มิตร ด, ดีแล้วก็มิตรอีกประเภทหนึ่งก็คือชอบชักชวนเที่ยวกลางคืนไอ้คนที่เที่ยวกลางคืนนะย่อมเป็นที่หวาดระแวงของคนทั่วไปนะดัะนั้นบางทีก็เจ้าหน้าที่เขาก็จับหาว่าเป็นการอ่าซ่องสมโจรบ้างอะไรบ้างนะเที่ยวกลางคืนนี่ก็ทําให้ชาวบ้านเขาเดือดเนื้อร้อนใจนะไม่รู้ว่าจะมาอีท่าไหนเดียมไหนเพราะว่า โดยมากของมันหายก็หายกลางคืนฉะนั้นการที่ไปเที่ยวกลางคืนนั้นมันก็เกิดความหายนะอาจจะเกิดถูกเขาโทษว่าเป็นโจรเป็นผู้ร้ายก็ได้นะเป็นที่หวาดระแวงของคนทั่วไปอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าชอบชักชวนมัวเมาในเรื่องการละเล่นนะไอ้คําว่าการละเล่นนี่ก็คือเชื่อว่าเต้นราต่างๆไปเปิดดัมบ้าดิสโ ก, โก้ดัมบ้าคลับกาแฟช็อปอะไรต่างๆนาะนาะนะเขามีการเต้นรํากันสารพัดหามรุ่งหามค่า นี่แหละนอกจากจะเสียเวลาแล้วก็เสียสุขภาพเสียเงินเสียทองบางครั้งเข้าไปแล้วก็เกิดการแก่งแย่ง เ, เรียกว่าศึกชิงนางกันอะไรกันเกิดการขมเณนกันเต้นกันกระทบไลกันบ้างก็ไม่พอใจเกิดตีกันทะเลวิวาทกันนี่มีแต่ความหายนะทางนั้นเลย น, นี่เรียกว่ามิตรที่ชักชวนในทางชิบหายแระการสุดท้ายก็คือชักชวนไปการเล่นการพนันก็ยิ่งหนักใหญ่เลย เดี๋ยวนี้การพนันขันต่อมันมีสารพัด ร, ร้อยอย่างพันอย่างเน่ยนับไม่ถ้วนในหม่หมเล่นมันก็ได้หรอกแต่พอมันเกิดติดใจก็แล้วไอ้ที่เราได้มานั้นมันก็หมดไปไม่รู้จักกี่เท่าโดยมากมันเสียมากกว่าได้นะไอ้ที่คนเล่นการพนันนี่ได้มากกว่าเสียไม่มีมีก็คือเจ้ามือแค่นั้นเองเจ้ามือเท่านั้นแหละที่จะเป็นคนรวยนะหรือว่าเจ้าของที่เจ้าของบอล น, นั่นแหละรวยแต่ไอ้คนเล่นน่ะไม่มีรวยสักคนหมดเนื้อหมดตัวมีเงินกี่ล้านก็หมด อันนี้เคยปรากฏตำหน้าหนังสือพิมพ์เยอะบางคนถึงกับฆ่าตัวตายบางคนต้องยอมขายตัวเองขอประทานโทษผู้หญิงบางคนต้องขายตัวเองขายลูกสาวก็มีนี่เพราะอะไรก็เพราะการพนันนั่นเองบางคนถึงกับเป็นโรคประสาทฆ่าลูกเมียหมดเกลี้ยงเลยก็เพราะหนี้สินพ้นตัวบางคนก็ถูกฟ้องร้องล้มละลายนี่ก็เพราะว่าเป็นคน เล่นการปนันนี่แหละมิตรทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นมิตรเทียมนะเป็นมิตรเทียมเป็นมิตรที่ไม่ใช่เป็นมิตรแท้มิตรอย่างนี้เราไม่ควรคบนะทั้งสี่ประเภทเราไม่ควรคบก็คือมิตรปอกล้อนะมิตรดีแต่พูดมิตรหัวประจบมิตรชักชวนในทางชิปหายนะนี่ก็พูดแต่เพียงย่อๆทีนี้มาอีกประเภทหนึ่งก็คือเรียกว่ามิตรแท้นะเมื่อกี้พูดถึงมิตรเทียมในมิตรแท้มันก็มีอีกสี่จำพวกเหมือนกัน ก็คือหนึ่งมิตรมีอุปการะสองมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์สามมิตรแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์สี่มิตรมีแต่ความรักใคร่มิตรทั้งสี่ประเภทนี้เป็นมิตรแท้เป็นมิตรที่เราคควรคบหาสมาคมนะควรคบหาสมาคมที่บอกว่ามิตรมีอุปการะก็ยังมีลักษณะอีกสี่อย่างคือหนึ่ง มิตรที่ป้องกันเพื่อนฝูงผู้ประมาทแล้วนะหมายถึงว่าเวลาเพื่อนฝูงประมาทคิดผิดทําผิดพูดผิดมิตรนี้ก็คอยป้องกันคอยช่วยเหลือคอยแนะนําคอยตักเตือนนี่มิตรอย่างนี้แหละเป็นมิตรแท้นะเป็นมิตรมีอุปการะนะมิตรมีอุปการะเรียกว่าเพื่อนผิดพลาดแล้วก็กลับมาให้ตั้งสติได้ใหม่เพื่อนพูดผิดก็ให้พูดใหม่เพื่อนทําผิดก็ให้คิดแก้ตัวใหม่ ี่มิตรอย่างนี้นับว่าเป็นมิตรมีอุปการะคุณแก่กันและกันมากประเภทที่สองอมิตรที่ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้วบางครั้งเพื่อนอาจจะพลังเผลอไปนะพลั้งเผลอไปอาจจะต้องสูญเสียรทรัพย์สมบัติโทคนอื่นโกงโทคนอื่นลักแต่มิตรประเภทนี้ก็ป้องกันไว้ได้หวงห้ามไว้ได้นะนี่อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นมิตรมีอุปการะคอยช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ช่วยเหลือ เพื่อนผู้ประมาทพลาดผิดแล้วก็ยังช่วยป้องกันทรัพสมบัติของเพื่อนของกินของใช้ทุกสิ่งทุกอย่างของเพื่อนที่พลังเผลอประมาทมัวเมาไม่ให้เสื่อมเสียไปสามก็คือเมื่อมีภัยนะเป็นที่พึ่งพำนักได้ก็หมายความว่ายามเพื่อนตกทุกข์ได้ยากนะมิตรมิวประกาศคือมิตรแท้นี้ช่วยเหลือได้นะ แม้จะยามเพื่อนจะเกิดตกยากจะเกิดโดยภัยธรรมชาติอุภกภัย ภ, ภัยวาตภัยอักขีภัยโจรภัยอาเพื่อนนี้เป็นที่พึ่งได้หรือว่ามีอุปสรรคนานาต่อการดำเนินชีวิตอาจจะผิดปลาดในการค้าขายทาธุรกิจต่างๆอ้าวอาเพื่อนอย่างนี้ก็ช่วยเหลือได้นะช่วยเหลือได้ตามสติตามกาลังไม่ขัดข้อง น, นี่เรียกว่าเมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งของเพื่อนได้ แระการที่สี่เมื่อมีธุระช่วยออกซับให้เกินกว่าที่เพื่อนออกปากขอบางครั้งคนเราแน่นอนที่สุดเรื่องเงินเรื่องทองนี่มันก็มันจะสมบูรณ์ไปเลยทุกครั้งไม่ได้บางครั้งมันก็ขาดเหลือบ้างนะขาดเหลือบ้างหรือของใช้ไม้สอยต่างๆบางครั้งมันก็ถึงข่าวอาคัะขาดแคลนบ้างเวลาเพื่อนออกปากขอเท่านั้นเท่านี้แต่ว่ามิตรมีอุปการะมิตรที่ดีนั้นให้มากกว่าที่เพื่อนขออีก เรียกว่าขอร้อยก็ให้สองร้อยขอพันก็ให้สองพันขอหมื่นให้สองหมืนนี่เรียกว่าเมื่อเพื่อนมีธุระช่วยออกปากขอก็ให้เกินกว่าที่เพื่อนขอนะมิตรอย่างนี้เป็นมิตรมีอุปการะมากมิตรแท้ประเภทที่สองมิตรร่วมสุขร่วมทุกนะมิตรแท้ประเภทที่สองเรียกว่ามิตรร่วมสุขร่วมทุกมิตรประเภทนี้ก็หมายถึงว่าอามีลักษณะอีกสี่อย่างคือหนึ่ง ขยายความลับของตนแก่เพื่อนก็คือว่าหมายขยายความลับของตนแก่เพื่อนก็คือไม่ปกปิดความลับของกันและกันอะไรที่เป็นความลับก็จะบอกให้เพื่อนเรียกว่ารู้ <ot of foreign language> เพื่อนอย่างนี้เหมือนกับเรียกว่าเป็นเพื่อนกินเพื่อนตายด้วยกันนะ <ot of foreign language> เป็นเพื่อนกินเพื่อนตายแก่กันไม่ปกปิดความลับของกันรายการที่สองปิดความลับของเพื่อนไม่ให้แพลนปลาย ความลับของเพื่อนอะไรที่มันเป็นความลับคอขาดบาดตายหรือว่าไม่เหมาะไม่ควรเพื่อนประเภทนี้เคาปิดได้แม้ใครจะมาติดสินบนให้จะมาเลี้ยงมาคอยสืบเสาะอย่างไรก็ไม่ยอมบอกความลับของเพื่อนเพราะความลับของเพื่อนนั้นก็คือความลับของตัวเองคิดอย่างนี้นี่แหละเรียกว่ามิตรร่วมสุกร่วมทุกนะยอมตายแทนเพื่อนได้มิตรประเภทนี้ประเภทที่สามไม่ละทิ้งในยามวิบัต ยามเพื่อนตกยากลําบากอย่างไรก็ไม่เคยทอดทิ้งนี่ตรงกันข้ามถ้าหากว่าเป็นมิตรเทียมแล้วก็พอเพื่อนตกยากลําบากแล้วก็ละทิ้งหนีหายไปเลยแต่ถ้าเพื่อนได้ดิบได้ดีอมีดีแล้วก็เข้ามารุมมาตุ้มมายกย่องมาชมเชยมาทําเป็นธุระเลยเถอะแต่มิตรอย่างนั้นเป็นมิตรเพียมใช้ไม่ได้แต่ว่ามิตรแท้นั้นคือมิตรที่ร่วมสุขร่วมทุกนั้นแม้เพื่อนจะตกทุกข์ได้ยากลําบากอย่างไรก็ไม่ทอดทิ้งะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล ให้ที่พึ่งพิงให้ที่พึ่งพาอาศัยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มิตรร่วมสุกร่วมทุกประเภทที่สี่ก็คือแม้ชีวิตก็อาจเสียสละแทนได้นี่คนเราลองท่าสละชีวิตแทนเพื่อนได้ก็ต้องถือว่าเป็นมิตรที่มีค่าสูงสุดยิ่งกว่าอะไรแก้วแหวนเงินทองหรือของที่มีค่านอกกายแล้วก็เทียบไม่ได้แม้ชีวิตก็อาจสละแทนเพื่อนได้เพราะประเภทนี้เรียกว่า เป็นมิตรแท้จริงๆนะเอาชีวิตเข้าแลกกับเพื่อนได้ป้องกันเพื่อนได้แม้ตัวตายก็ยอมนะนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นมิตรแท้ประเภทที่เรียกว่าร่วมสุขร่วมทุกข์นะแล้วก็มิตรแท้ประเภทที่สามก็คือมิตรแนะนําประโยชน์ก็มีลักษณะสี่อย่างก็คือหนึ่งห้ามไม่ให้เพื่อนทําความชั่วนะเพื่อนคิดทําชั่วก็ห้าม สอแนะนำให้อยู่ในให้อยู่แต่ในความดีให้ทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์มีความเจริญมีความก้าวหน้าสามาาให้ได้ฟังแต่สิ่งที่ไม่เคยได้ฟังซือสิ่งใดที่เพื่อนไม่เคยรู้ไม่เคยทราบก็จะบอกให้เพื่อนรู้ให้เพื่อนทราบนะแล้วก็สี่บอกทางสวรรค์ให้บอกทางดีชี้ทางชั่วให้อะไรอย่างนี้เป็นทางที่ให้เกิดสัมปติสุขอย่างนี้เป็นทางที่จะให้เกิดทาง พ้นจากความทุกข์เนี่ยก็จะบอกให้นี่แหละคือเป็นมิตรที่แนะนําแต่ในสิ่งที่ดีมีประโยชน์แล้วก็มิตรแท้ประเภทที่สี่ก็คือว่ามิตรมีความรักใคร่ก็มีลักษณะอีกสี่อย่างก็คือหนึ่งเพื่อนทุกข์ก็ทุกข์ด้วยนะยอมทุกข์ด้วยเพื่อนสุขก็สุขด้วยอสามโตเถียงคนที่พูดติเตียนเพื่อนก็คือหมายถึงว่าใครติเตียนเพื่อนตัวเองนั้นก็จะโต้เถียงปกป้องเพื่อนนะทุกวิถีทางข้อที่สี่ รับรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อนนะคนไหนพูดสรรเสริญเพื่อนก็ยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างนี้แหละจัดว่าเป็นมิตรแท้นะที่เราควครคบเป็นมิตรที่มีความรักใคร่ที่ได้พูดมาเกี่ยวกับเรื่องมิตร เ, เทียมมิตรแท้นั้นก็คิดว่านักเรียนนักศึกษาและท่านสาธารชนทั้งหลายก็ควรจะนําไปประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการคบเพื่อนอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากถ้าหากว่า เราทุกคนรู้จักการครบเพื่อนที่ดีคบเพื่อนที่ชั่วแล้วแน่นอนที่สุดจะทำให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นเป็นไปในทางที่ดีที่งามเพราะว่าคนเราทุกคนที่เกิดมานั้นไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเราทุกคนนั้นจะต้องมีเพื่อนฉะนั้น เ, เพื่อนของเรานี่แหละที่จะเป็นคนคอยช่วยประคับประคองให้เราดีก็ได้ที่จะชักนำเราไปในทางชิดหายก็ได้ ฉะนั้นเราก็ควรจะเลือกคบคนถ้าเรารู้จักเลือกคบคนดีก็จะได้ชื่อว่าเรานั้นมีหลักของนักปราชญ์คือหลักของนักปราชญ์นั้นก็คือว่าให้เรารู้จักคบคนดีต้องเลือกคบคนนะเพราะภาษิตของโบราณเ้าบอกไปแล้วว่าคบคนดีก็เป็นสีแก่ตัวคบคนชั่วก็พาตัวอับป ร, ราชัยนะดังนั้นเราทุกคนควรจะคบแต่คนดีอย่าคบคนชั่วเลย ถ้าหากว่าเราครบคนชั่วแน่นอนที่สุดก็พาตัวมัวหมองถ้าคบคนดีก็พาตัวของเรานั้นให้ประสบแต่ความสุขความเจริญสมดังพุทธภาสิทธที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าอเสวนาจะพาลานังปันตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคามุตตะมังว่าการไม่คบคนพานคบแต่บัณฑิต บูชาบุคคลที่ควรบูชาจัดว่าเป็นมงคลอันสูงสุดเอาละท่านผู้ฟังทั้งหลายการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องนิดเทียมและนิดแท้มาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้ผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพรวันนี้จะพูดถึงในภาคของขีดปฏิบัติคือข้อปฏิบัติสาหรับเครือขัดว่าในเรื่องสังฆะวัตถุ ก็คือวัตถุเป็นเครื่องสงเคราะห์ซึ่งกันและกันมีทั้งหมดสี่อย่างคือหนึ่งทานให้ปันสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นที่ควรให้ปันสองปิยวาจาเจรจาที่เจรจาวาจาที่อ่อนหวานสอัตถจริยาประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ ข้อสีสมานัตตาความเป็นผู้มีตนเสมอไม่ถือเนื้อถือตัวคุณธรรมทั้งสี่อย่างนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อื่นไว้ได้ฉะนั้นเมื่อพูดถึงสังหาวัตถุแล้วแน่นอนที่สุดทำสี่ประการนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยยึดเหนี่ยวสังคมให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนา เป็นการยึดเหนี่ยวน้ำใจให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันไว้ฉะนั้นก็จะอธิบายเป็นข้อๆไปในข้อแรกที่บอกว่าทานนะคือการทานหมายถึงว่าการให้นะคนว่าการให้ในสมัยอันควรเช่นว่า ญาติหรือมิตรผู้ขัดสนมาออกปากขอก็ควรให้สมควรแก่ฐานะของเราหรือสมควรแก่กำลังของตนเขามีงานอะไรที่เราจะต้องช่วยเหลื อ, เ, อ, อเราก็จัดของสิ่งนั้นไปให้เขาเช่นจะเป็นงานแต่งงานงานบวชนาคหรือว่าจัดงานพ่อป่างานกรถิน่นงานสงกราน อ, อ, อะไรก็แล้วแต่เราก็ควรจะจัดทาสิ่งของนั้นไปให้ าตามฐานะอันสมควรอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นการให้ทานการคําว่าทานในที่นี้ต่างจากทานในบุญกิยาวัตถุคือทานในบุญกิยาวัตถุนั้นเป็นการให้โดยมุ่งจะทําบุญแต่ในที่นี้เป็นการให้เพื่อมุ่งสงเคราะห์ซึ่งกันและกันนะวิธีปฏิบัติก็คือว่ารู้จักแบ่งปันของกินของใช้แก่คนอื่นบ้าง เพื่อแสดงอัธยาศัยไมยตรีต่อกันไม่เป็นคนตหนีท่ทีเหนียวไม่เป็นคนมีใจคับแคบห่วงกินห่วงใช้แต่คนเดียวในคนที่ห่วงกินห่วงใช้แต่คนเดียวนั่นแหละเป็นคนเห็นแก่ตัวนะเป็นคนเห็นแก่ตัวในคนที่เห็นแก่ตัวแน่นอนที่สุดไม่มีความสุขนะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้จัดพุทธภาเศษบทหนึ่งว่า เมกาศีละพาเตสุขังว่ากินคนเดียวไม่มีความสุขนะไม่มีความสุขฉะนั้นเราจะต้องเฉลี่ยให้กับผู้อื่นผลที่ผู้ให้จะได้รับจากผู้รับก็คือลำดับแรกที่สุดก็คือว่าจะได้รับความรักจากผู้ที่เราได้รับทันทีในที่เราได้ให้ต่อจากนั้นไปก็ยังจะได้รับไมตรีจิตน ะ, ะและก็มีอาจจะมีอามิตรตอบแทนบ้างตามโอกาส คนตั้งหลายที่รู้เห็นก็จะสนรเสริญก็จะยกย่อง น, นี่เป็นเรื่องของการให้แล้วการให้นั้นแน่นอนที่สุดนักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายควรนึกอยู่เสมอว่าการให้นั้นก็ยังจำแนกออกไปอีก เ, อเป็นของอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงนะถ้าเรียกว่าถ้าเราให้ของต่ำของต่ำนี่เขาเรียกว่าธาตุท า, าน ให้ของเหมือนกับให้า่าตนะให้ของต่ำเหมือนกับให้ของที่ที่เจ้านายให้กับทาตุคือให้ของเลวๆให้ของไม่ดีนะอย่างนี้เขาเรียกว่าทาสทานถ้าเราให้ของไม่ดีเราก็ได้ของไม่ดีตอบแทนนะเราก็ได้ของไม่ดีตอบแทนประการที่สองก็คือสหายทานคำว่าสหายทานก็คือว่าให้ของเสมอกับที่ตนมีตนใช้ ตนมีตนใช้ตนกินตนใช้อย่างไรก็ให้อย่างนั้นอย่างนี้แหละเรียกว่าสหายทานนะคือให้ของเสมอเหมือนกับเพื่อนเหมือนกับมิตรเหมือนกับสหายอ่าอย่างนี้ก็เสมอตัวข้อที่สามสามีทานก็คือให้ของสูงคือตอนมีกินมีใช้อย่างไรก็ให้ของที่สูงกว่าที่ตนมีตนใช้อย่างนั้นนะเรียกว่าให้ของประนีนะให้ของประนี เราให้ของประนีตเราก็ได้ของประนีตตอบแทนเราให้ของดีเราก็ได้ของดีตอบแทนเราให้ของเลิศเราก็ได้ของเลิศตอบแทนเราให้ของประเสริฐเราก็ได้ของประเสริฐตอบแทนเรื่องการให้นี่เป็นสิ่งสำคัญมันมีผลกระทบกระเทือนถึงผู้ให้ด้วยเรียกว่ามันเป็นกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะมันเป็นกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันอันนี้ในทางพระพุทธศาสนามีตัวอย่าง เช่นอย่างนางปัญจป่าปีหรือว่านางปัญจป่าป่าแ่าท่านได้ให้ถวายดินเหนียวกับพระปัจเจกพรพุทธเจ้าที่ได้มาบินดาบาดขอเอาดินเหนียวนั้นไปฉาบทาเสนาสนะกุติที่อยู่อาศัยในขณะที่พระปัจเจกุตเจ้านั้นมายืนคอยรับดินที่นางได้ขย่อมเหยียบย่ำดินปั้นให้เหนียวอยู่นั้นนางเกิดไม่พอใจ หาว่าพระปัจเจกุทธเจ้านี่มาเบียดเบียนแมมรู้สึกว่ามารบกวนนางไม่พอใจทํากบฟัดก็เฟียดนะก็เลยหยิบเอาก้อนดินนั้นเควื่องลงไปในบาตเข้าไปหนึ่งก้อนให้ด้วยความไม่เคารพให้ด้วยความไม่พอใจให้ด้วยความโกรธผลปรากฏนางที่ได้ให้ทานกับพระปัจเจกุทธเจ้าอย่างนั้นเมื่อนางได้แตกตายทำลายขันไปแล้วมาเกิดอีกชาติหนึ่ง ปรากฏว่านางนั้นก็มีตาเลนะนะพราะว่านางค้อนก็ทำตาค้อนปับับกัพระเถระใช่ไหมนี่ฉะ น, นั้นอันนี้เหมือนกันคนที่ชอบค้อนพระต่างๆน า, นามไม่พอใจแล้วก็ระวังให้ดีเถตาจะเหละนะตาจะเหล ะ, ะ, ล ะ, ะลแล้วปากก็เบี้ยวไอ้ที่ปากเบี้ยวก็เพราะว่าพระฉะนั้นญาติโยมคนใดนินทาพระว่าพระระวังให้ดีปากจะเบี้ยวนะปากจะเบี้ยว แล้วก็ทําจมูกฟึดฟัดฟึดฟัดฟึดฟัดไม่พอใจนางก็เลยจมูกแฟบจมูกบี้จมูกไม่โด่งไม่สวยนี่ฉะนั้นญาติโยมคนใดเหมือนกันถ้าทําฮึดนัดฟึดฟัฟดฟไม่พอใจพระสองฆ์องค์เจ้าแล้วก็ระวังให้ดีเถอะจมูกจะไม่สวยจมูกจะบี่จมูกจะแฟบเดี๋ยวจะต้องไปผ่าตัดเสริมจมูกกันอีกยุ่งนะอ่ะอีกยุ่งอีกนี่แล้วก็ ทำให้นางนั้นต้องมือแปะไอ้ที่มือแปะก็เพราะว่านางหยิบก้อนเหนียวที่ใส่ไปในบาดของพระเถระนั้นไม่ด้วยความเคารพคือคุ้ยงลงไปนี่เรียกว่าถ้าถือไม่ดีก็บาดพลัดตกมือแน่นี่แหละจึงทาให้นางนั้นน่ะเกิดมือแปะยิ่งไปกว่านั้นนางก็ขาเป๋ อ, อีกนะขาเป๋ อ, อีกไอ้ที่ขาเป๋ก็เพราะว่านางนั้นน่ะยืนบิดไปบิดมามือเท้าสะเอวไม่พอใจแหมขอประทานโทษ คล้ายๆเหมือนว่ามันไส้พระเทระอย่างงั้นแหละไม่ได้ทำมาฮักกินแล้วคอจะมาขอเขาอยู่เรื่อยนี่นางก็เลยขาเป๋ไปนี่แหละเป็นผลที่นางอให้ทานด้วยความไม่เขารักนะแต่นางนั้นมีผลดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามีการสัมผัสอันเลิศหมายถึงว่าถ้าใครได้ไปถูกเนื้อต้องตัวของนางแล้วก็ทําให้เอ่า ต้องเกิดความหลงไหลในรถแห่งการสัมผัสอันนั้นอ่าอันนี้แหละฉะนั้นอ่าก็จึงเป็นสิ่งที่ดีในส่วนหนึ่งและโดยเฉพาะนางได้ทาบุญกับพระปัจเจกกับพุทธเจ้าด้วยก็ถือว่ามีอา น, นิสงส์มากฉะนั้นผลที่สุดนางนั้นก็ปรากฏว่าอ่าได้เป็นอ่าเหสีของพระราชา ถึงสองพระองค์เลยนะนี่เพราะสัมผัสอันเลิศใครไปจับมือจับไม้ไม่ได้ติดเนื้อต้องใจเลยนะนี่แหละฉะนั้นจึงบอกว่าเรื่องการให้ทานนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญจะอย่างไรก็แล้วแต่การให้ทานนี้ถือว่าเป็นเครื่องยึดเดียวน้ําใจของกันและกันไวนะ้เนาะฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงเป็นคนเสียสละเลยเป็นเป็นคนเสียสละอย่าเป็นคนหวงแหนทรัพสมบัติสิ่งของของตนที่มันมีจนเหลือเฟือ ก็ควรจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปก็จะให้เป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากประการที่สองปียวาจาเจรจาวาจาที่อ่อนหวานนะคนเราทุกคนนั้นชอบวาจาอ่อนหวานนะชอบไม่มีใครไม่ชอบแต่บางทีเรามักจะพูดกันว่าปากหวานนะเราคือพูดเป็นเชิงว่ากันแต่จริงๆตัวเองก็ชอบนะชอบคนปากหวานนะใครไม่มีใครเราไม่ชอบคนปากหวาน แต่ว่าคำหวานนั้นน่ะมันก็มีข้อเสียอยู่ก็คือว่าหวานนั้นต้องประกอบไปด้วยประโยชน์ต้องพูดให้ถูกกาลละเทศะมันก็เกิดประโยชน์ได้บางครั้งถึงแม้ว่าความหวานนั้นจะไม่มีประโยชน์แต่ว่าพูดให้ถูกกาลละเทศะพูดให้ถูกบุคคลมันก็เกิดประโยชน์ได้ยกตัวอย่างเหมือนอย่างกับคนคนหนึ่งมีเป็นคนอัตคัดเกสาคนอัตคัดเกสาคือคนอย่างไรนักเรียนนักศึกษาลองนึกดูที่ว่า คนอัตคัดเกศาคือคนอย่างไรคนอัตคัดเกศาก็คือคนผมน้อยเอไคนผมน้อยก็คือคนหัวล้านนั่นเองเอไคนหัวล้านนี่แกมือมัวอยู่คู่หนึ่งสวยสดงดงามมากอ่าใครมาซื้อแกไม่ขายเพราะไม่ขาที่ไม่ขายก็เพราะว่าคนที่มาซื้อนั้นพูดจาไม่ดีอ่ามาถึงก็เอาแต่คนหัวล้านอ่ามัวคู่นี้จะขายไหมเนี่ยแกไม่ขายเลยจะเพื่อกลับไปเลยแต่ก็ปรากฏว่ามีหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนฉลาดเป็นเจ้าบทเจ้ากลอน เรียกว่ารู้จักพูดฉลาดในการพูดนะก็ปรากฏว่าก็เข้าไปหาเข้าไปหาแต่คนหัวล้านก็พูดขึ้นเลยว่าพ่อผมดอกปลอกไหลพ่อหน้าไรเฉลิมทองงวของพ่อทั้งสองจะขายเท่าไหร่แหมแต่คนหัวล้านพอฟังอย่างนี้ก็คลึ้มเลยครึ้มอกครึ้มใจมากระตอบทันทีเลย บอกว่าลูกเอ๋ยลูกกูเจ้ามันพูดถูกหูพ่อไม่ขายเลยยกให้นี่เลยได้วัวฟรีไปคู่ฟรีๆไม่ต้องซื้อจริงๆแล้วคู่หนึ่งนี่ราคาเป็นหมื่นนะแต่นี่ได้ฟรีนะนี่ได้ฟรีกลับถูกใจเห็นไหมอ้าวปรากฏว่าพอจุงวัวไปแล้วก็ไปสวนทางกับลูกสาวตะคนหัวล้านเข้าลูกสาวก็บอกอ้าวนี่จะาวัวพ่อฉันไปไหนเนี่ยอ่าคนนั้นก็บอกว่าใครบอกวัวพ่อของแก วัวนี่ฉันได้มาจากตะโกนหัวล้านต่างหกอกตะโกนหัวล้านนี่บ้ายอชะมัดเลยเออพูดยอดหน่อยเดียวให้วัวมาตั้งคู่หนึ่งลูกสาวก็เลยกลับมาบอกพ่อว่าพ่อให้วัวเข้าไปเหรอพ่อบอกว่าเออเขาพูดดีนี่ลูก เ, ออเขาพูดดียังไงเขาว่าพ่อหัวล้านบอกเฮในตอนอยู่นั่นก็ไม่ได้พูดอย่างนี้นี่เออพูดดีออกจะตายไปเออปรากฏลูกสาวบอกไม่จริงหรอกพ่อ เขาหาว่าพ่อหัวล้านพ่อบ้า ย, ยอแม้แต่พ่อพอฟังอย่างนั้นไม่พอใจคว้าปะตักวิ่งไปจะไปเล่นงานเอจะไปตี๊ยไอคนนั้นแล้วก็จะเรียกเอางัวคืนด้วยวิ่งเต็มที่เลยไอคนนั้นพอเหลียวหน้าเหรียหลัหลงเอรู้สึกว่าตาคนหัวล้านนี่ชักไม่ชอบมาพาคนทะแล้วมีไม้ม า, มาด้วยไม่น่าไว้วางใจพอวิ่งไปใกล้ปุ๊บเอาเลยก็พูดทักทายขึ้นอย่างอ่อนหวานอีกแล้วว่าเอพ่อผม ดกปลกพ่อผมดกปอกกล้าพ่อผมดกปอกหลังพ่อวิ่งละล้าละลงังพ่อจะรีบไปไหนแม่พอดนคำนี้เข้าก็ไม้ประตัดอ่อนอีกแล้วหยุดกึกทันทีเลยแกก็ตอบทันควันอีกเหมือนกันลูกเ อ, อ๋ยลูกรักพอเห็นลูกลืมประตัดพ่อเลยวิ่งเอามาให้นี่เห็นไหมดูสิพูดดีแล้วมันเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะทีแรกได้วัวคู่แล้วยังไม่สมใจ แถมยังวิ่งเอาประตักไปให้ฟรีที่อีกอันหนึ่งนี่นี่เขาเรียกว่าคนพูดถูกกาละเทศะพูดถูกบุคคลนะอ้าวหลังจากนั้นพ่อก็กลับมาลูกสาวบอกไงแล้วพ่อวิ่งเอาประตักไปตีเขาเรื่องทำไมอไปให้เขาเราเอา้าวก็เขาพูดดีนี่ลูก เ, เขาพูดดีลูกสาวบอกแหม่พ่อนี่ไม่ได้เรื่องเลยไอ้คนนั้นน่ะมันยกแกล้งยกยอพ่อหน่อยเดียวพ่อก็หลงมันตอนหน้ารับ มาพับรับหลังดะโกใช้ไม่ได้หรอกมันพูดจาหยาบคายออกจะตายไปเอแหมปรากฏว่าลูกสาวก็ไม่พอใจเออพ่อกดชักไม่พอใจฟังเสียงลูกสาวว่าเอา้ามาอย่างนั้นไปพิสูจน์กันดูดีกว่าก็ปรากฏว่าอ่าทั้งพ่อทั้งลูกสาวก็วิ่งจุงมือกันเป็นการใหญ่เลยนะเพื่อจะตามไปดูว่าไอคนนั้นมันพูดอย่างไงพูดเพราะจริงไหมจับมือลูกสาววิ่งก็คือก็ขอบกันไปใช่นะก็คือก็ขอบกันไปเลย เอาอีกแล้วไอ้คนจุงหัวไปเอเขานี้มันไม่ได้มาคนเดียวซะแล้วนมาสองคนมันจะยังไงกันแน่อาการชักไม่ดีซะแล้วพอวิ่งไปใกล้ใกล้ใกล้ตัวเขากดเหลียวมาพูดเลยครับเลยถามบอกว่าพ่อผมดกปกกล้าวพ่อวิ่งจุงมือลูกสาวแล้วพ่อจะรีบไปไหนแหมพอโดนไอ้ลูกนี้เขากดหยุดกึกทันทีเลยนะเรียกว่า ใจมันครึม้มพอฟังว่าพ่อผมดกโปะกก้วมันก็ครึ้มเลยว่าพอ่อวิ่งจุง ม, มือลูกสาวพ่อจะรีบไปทางไหนไอตาวุล้านก็ตอบทันทีเลยเหมือนกันว่าลูกเ อ, อ๋ยลูกแก้วพ่อบรรแกแล้วเลยวิ่งเอาลูกสาวมาให้นี่เป็นอย่างนั้นไปเห็นไหมท่านผู้ฟังทั้งหลายไอคนพูดดีแล้วมันได้ฟรีหมดเลยไอ้ของที่มีค่ามีราคามันก็กลายเป็นวันได้มาง่ายๆ ที่แรกได้วัวคู่หนึ่งได้ฟรีที่สองได้ประทัดอีกอันฟรีที่สามได้สิ่งที่ถูกใจก็คือได้ลูกสาวฟรีเข้ามาอีกคนหนึ่งนี่เพราะพูดดีฉะนั้นจึงบอกแล้วว่าไอ้คําพูดบางอย่างเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่มีประโยชน์ไว้พ่อผมดอกปกหลังปกปลอกหลังหรือปลอกไกลปลกเกล้าอะไรก็แล้วแต่นะไอ้ผมนี่ยมันไม่ดอกจริงๆหรอกเนี่ยมันไม่มีประโยชน์จริงๆแต่ว่าพูดถูกบุคคลพูดถูกการละเทศะมันก็เป็นประโยชน์นะฉะนั้น ขอให้เราทุกคนนั้นจงพูดเลือกการละเทศะถ้าเราพูดอย่างนี้ประโยชน์มันก็เกิดขึ้นนะเรียกว่าพูดดีก็เป็นสีแก่ตัวพูดชั่วก็พาตัวอัปปราชัยนะนี่ฉะนั้นขอให้เราทุกคนพูดดีต่อกันนะเพราะว่าคำพูดดีก็คือคำพูดที่น่ารักนะคำพูดดีเป็นคำพูดที่น่ารักคนทุกคนชอบพูดที่น่ารักนะไม่มีใครไม่ชอบคาพูดที่น่ารักชอบ้วยกานทั้งนั้นนะแต่ว่า คำพูดที่น่ารักนั้นอนะ่ะมันจะต้องประกอบไปด้วยความจริงบ้างนะต้องมีความจริงต้องมีประโยชน์ต้องประกอบด้วยเมตตาแล้วก็ต้องประกอบไปด้วยคำอ่อนหวานอย่างนี้แหละเราเรียกว่าเป็นปิยวาจาอนะ่คือเรียกว่าพูดไปแล้วทำให้คนฟังน่ารักคนพูดนะอ่านะอย่าพูดไปแล้วก็เกิดให้คนฟังนึกชังคนพูดอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะ ไอคนที่พูดแล้วก็ทําให้คนชังนั่นก็เช่นว่าเป็นต้นว่าคาําด่าคําประชดคํากระทบคําแดกดันคําสบดคาําตำอันนี้พวกนี้ถือว่าเป็นคําที่ไม่ไพเราะหูทุกคนไม่ต้องการนะคำอย่างนี้ไม่ต้องการแต่นั้นสุนทรผู้จึงบอกว่าถึงคราพูดพูดดีเป็นสีสั์มีคนรักรส ถ, ถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทําลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์พระพูดจานะหรืออย่างตอนหนึ่งที่บอกว่า เป็นมนุษย์สุดนิยมที่ลมปากจะได้ยากห อ, อยหิวเพราะชิวหาแม้นพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความนะเห็นไหมนี่ฉะนั้นเราต้องพูดดีเขาบอกว่าอันอ้อยตานหวานลิ้นแล้วสิน้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายนี่ไอหวานจิงอื่นนะ่ะมันหวานเดียวเดียวมันก็หายหวานชั่วลิ้นหวานชั่วกินก็หายแต่ลมปากมันหวานหูไปเป็นเดือนเป็นปีนะ ฉะนั้นขอให้เราทุกคนพูดดีต่อกันแล้วเราก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ซึ่งกันและกันได้ประการที่สามอัตจริยาก็คือประพฤติตนให้เป็นประโยชน์การที่เราประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ก็คือว่าประโยชน์ที่เราจะให้เกิดขึ้นก็คือทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะอย่างนี้แหละถือว่าเป็นประโยชน์มาก เราต้องทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างประกอบด้วยเมตตาตามฐานะของตนนะตามฐานะของผู้ใหญ่ตามฐานะของผู้น้อยตามกําลังสติปัญญาของตนประโยชน์นี้มันก็มีทั้งประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมฉะนั้นขอให้เราจงยึดหลักทั้งสองอย่างคือคนเราที่จะมีไปจะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นได้นั้นเราจะต้องมีคุณงามความดีอยู่ในตัวเสียก่อนนะจึงจะช่วยคนอื่นได้เช่นเราจะต้องมีกาลัง อาสติปัญญากำลังความคิดกำลังความสามารถเมื่อเรามีกำลังสติปัญญากำลังความคิดกำลังความสามารถแล้วเราก็กระจายกำลังความคิดกำลังความสามารถของเรานี้ออกช่วยเหลือเกื้อกูลส่วนรวมแนะนำให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมก็คือสังคมประเทศชาติเราทำอย่างนี้แหละจะได้ชื่อว่าเราทาตัวเองให้เป็นประโยชน์นะคนโบราณเราถือว่า อยู่บ้านท่านอย่านั่งดูได้ปั้นงวปั้นควายให้ลูกเขาเล่นนี่ให้คนเราทุกวันนี้มันไปงอมืองอเท้ามันไม่เกิดประโยชน์เหมือนอย่างที่พูดไปเมื่อคราวที่แล้วว่ า, าที่บอกว่าดาราภา พ, พยนตร์น้ำท่วมบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยก็เลยไปอาศัยบ้านเพื่อนอยู่ไปอาศัยบ้านเพื่อนอยู่แล้วแทนที่จะทำะให้เกิดประโยชน์แก่ อเจ้าของบ้านที่ไหนได้กลับไปชักชวนเอาเพื่อนหญิงเพื่อนชายมากินเหล้าเมายาอ่าเอะอะวอยวายสร้างความนัวขูรําคาญให้เกิดกับเจ้าของบ้านและเพื่อนบ้านใกล้เคียงผลที่สุดเขาก็ไล่ให้ออกไล่ให้ออกแค่นั้นตัวเองก็ยังไม่พอใจอีกนะไปอาศัยที่บ้านเขาอยู่แทนที่จะขอบอกขอบใจเขากลับเอาน้าปลาราดให้เหม็นคลุ้งไปทั่วห้องเอามีดกรีที่รับที่นอนเขาเสียหายนี่แหละเขาเรียกว่าทําตัวเอง ไม่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองแล้วไม่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่รู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณคนอย่างนี้คบไม่ได้ใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้ฉะนั้นนี่แหละขอให้เราทุกคนนั้นจงรู้จักหน้าที่ของตนนะหน้าที่ของตนว่าตนมีหน้าที่อะไรแล้วก็ทำหน้าที่อันนั้นให้สมบูรณ์อย่างนี้แลเราจะได้ช่อว่าเราทาตัวเองให้เป็นประโยชน์และเราต้องนึกอยู่เสมอว่า เราทุกคนนั้นไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะเราอยู่รวมกันเป็นหลายคนเป็นครอบครัวหลายครอบครัวเข้าก็รวมกันแล้วเป็นสังคมนะทุกๆสังคมก็กลายเป็นประเทศชาติฉะนั้นเราจะต้องทำตัวเองให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองให้เป็นประโยชน์แก่สังคมให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งศาสนาและพระมหากษัตริย์เราทำอย่างนี้ได้จะได้ชื่อว่าเราบำเพ็ญประโยชน์นะ หมายความว่ารู้จักช่วยเหลือผู้อื่นด้วยแรงของตนมิใช่ประโยชน์มิใช่ว่าตัดท่องเอาตัวรอดเพียงคนเดียวนะคือในทางปฏิบัติก็คือว่าเราจะต้องบำเพ็ญประโยชน์ในข้ออัจริยานั้นโดยหลักสองสถานก็คือว่าทำตัวเองให้เป็นคนมีประโยชน์เสียก่อนนะอย่างที่ได้พูดไว้เมื่อกี้ว่าสร้างกำลังกายสร้างกาลังความคิดสร้างกาลังความรู้สร้างกาลังทรัย์ ให้เกิดขึ้นมีในตนให้เพียงพอเสียก่อนนะคนเราถ้ามันไม่มีกําลังสติปัญญากําลังความรู้กําลังทรัพย์แล้วเราจะเอาที่ไหนไปให้เขาเหมือนกับมีคนมาขอทานเราถ้าหากว่าเราไม่มีข้าวอยู่ของอยู่ในตัวเราแล้วเราจะเอาที่ไหนให้คนขอทานเราไม่มีเงินทองอยู่ในกระเป๋าเราในตัวเราเราจะเอาเงินที่ไหนให้เขาฉะนั้นเราจะต้องมีก่อนต้องมีเข้าวสุเข้าสารอยู่ เราต้องมีเสื้อผ้าอาภรณ์อยู่ต้องมีเงินทองอยู่เราจึงจะให้เขาไปได้ฉะนั้นเราจะต้องสร้างคุณงามความดีประโยชน์นั้นให้อยู่ในตัวก่อนแล้วเราจึงเฉลี่ยไปให้กับคนอื่นได้เนีให้กับคนอื่นได้นี่ฉะนั้นข้อ น, นี้จึงเป็นสิ่งสําคัญเมื่อเราสร้างคุณงามความดีให้มีขึ้นในตัวในตัวแล้วก็พอที่จะจ่ายไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นอย่างนี้แหละเรียกว่าเราเราเป็นคนมีประโยชน์ที่นี้ ประการต่อมาก็คือเราก็จ่ายกำลังของตนที่มีอยู่บำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่เพื่อนฝูงแก่เพื่อนบ้านตลอดจนเพื่อนมนุษย์ทั่วไปสมควรแก่กาละเทศะเช่นในยามเพื่อนตกทุกข์ากลำบากในข้าวเกิดอุทกาภายัยเกิดน้ำท่วมวาตภายัยเกิดพายุหรือว่าอัคคีภยัยเกิดไฟไหม้ หรือโจรภัยเกิดโจรปล้นจนสิ้นเนื้อประดาตัวอะไรเราก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราไม่ควรอยู่ดูดายการที่เราช่วยเหลือคนอื่นก็เท่ากับว่าเราคิดว่าเขานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งอของประเทศชาติเราก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติเราเป็นคนไทยด้วยกันเป็นมนุษย์ด้วยกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนไทยอยู่ประเทศใดเขาได้รับความรกรำลาบากเราก็ต้องช่วยเหลือกัน เหมือนกับในยามที่เกิดสงครามเราจะเห็นว่าทั่วโลกก็มักจะมาข อ, อาความช่วยเหลือของแต่ละประเทศให้ช่วยส่งเครื่องสเสวิงกลางต่างๆนะช่วยปัจใจเสียเอาไปช่วยเหลือในยามเกิดภาวะสงครามหยุกยาที่อยู่อาศัยช่วยเหลือกันอย่างนี้แหละได้ชื่อว่าเราทําตัวเองให้เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้บําเพ็ญประโยชน์นั้นจะต้องเว้นการกระทําอันเป็นภัยแก่ผู้อื่นนะ ไม่ใช่ช่วยเหลือในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแก่ผู้อื่นแม้การกระทําเล็กๆ น, น้อยๆเช่นว่าทิ้งเศษแก้วลงตามทางเดินหรือว่าทายเทของสกปรกในที่อันจะทําลายความสุขของคนอื่นหรือเช่นว่าตามถนนหนทางเนี่ยพวกเราก็กินอะไรก็ทิ้งๆคว่างๆบางทีขอประทานโทษเถอะบางคนนั่งรถเก๋งคันงามแต่ว่าทิ้งเปลือกหรือเศษอาหารลงมาออกจากทางรถในยเยอะเลยอันนี้น่าละอายแก่จใจ คนนั้นน่ะเรียกว่าเขามียศสูงแต่ยศเท่านั้นแต่ว่าจิตใจเขาไม่ได้สูงไปตามยศตามฐานะเลยอันนี้น่าตำหนิทำความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นกับคนที่กวาถนนและกับคนที่ใช้ถนนหนทางยิ่งไปกว่า น, นั้นก็ถือว่าทำลายประเทศชาติโดยไม่ช่วยกันปกป้องให้บ้านเมืองของเรารักษาให้มีความสะอาดสะอ้านเป็นที่ติชินนินทาของแขก บ, บ้านแขกเมืองที่เขามาพบเห็นว่าแหมเมืองไทยนี่สกปรกเหลือเกิน ฉะนั้นเราเป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติเราก็จะต้องช่วยกันรักษาบ้านเมืองให้สะอาดอย่าเที่ยวทิ้งเศษสิ่งของให้สกปรกตามถนนพ้นทางตามแม่น้าลาคลองอะไรอย่างนี้ไม่ดีนะฉะนั้นอันนี้ก็ขอให้เราทุกคนได้พิจารณาให้มากในสมัยพุทธกาลก็ยังมีมรคมานพน์มระคะมาพนบนี่แกได้ทำทางเข้าไปตามงูบ้าน เห็นว่าทางเข้าหมู่บ้านแหมรู้สึกว่ามันเดินไม่ค่อยสะดวกเป็นลมเป็นโคลนมีรกรุงรังไปด้วยต้นมากราบไม้น้ําในเยอะแย ะ, ย ะ, ยะแกก็ถางทางเลยถางทา ง, ทางตัดเป็นช่องเป็นถนนถนนทางแหมเอาจอบเอาเสียมเอาขุดอย่างดีเอทําไปใครมาพบเห็นถามบอกทําอะไรก็บอกว่าจะทําทางไปสวรรค์ปรากฏบางคนเห็นดีด้วยก็เลยมาร่วมทําด้วย อมีสหายมาทําด้วยร่วมเป็นสามสิบสามคนมาช่วยกันทำถนนถนนทางขุดบ้างยกถนนให้สูงบ้างตัดอต้นไมกรากไม้บัง่งจนเป็นที่เจริญรุ่งเรืองการสัญจรไปมาเข้าหมู่บ้านก็เลยสะดวกแต่ว่าการกระทําความดีทําให้คนบางคนนั้นเห็นเป็นเรื่องไม่ดีปรากฏว่าพวกผู้ใหญ่บ้านพวกกำนันเห็นว่ามาคับมาคะมานกนั้นทําเกินหน้าเกินตาก็เลยไปฟ้องพระราชาว่า ในคนสามสิบสามคนนี้เป็นคนที่คิดไม่ดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองทำถนนเข้ามาบ้านเพื่อต้องการที่จะปล้นะจะฉกชิงวิ่งราวปรากฏว่าพระราชาได้ฟังนั้นก็จับให้เรียกตัวเอาไปลงโทษปรากฏว่าทำโดยวิธีการต่างๆก็ไม่เป็นอะไรนะถึงกับว่าเอาช้างตัวตกมันใช่ไช้างดุมากเลย เอาให้เหยียบคนทั้งสามสิบสามคนเอาเสือลำแพนปิดซะไม่ช้างมองเห็นนะทายัางไงยังไงช้างก็ไม่เหยียบทีแรกนี่เอามันนอนเรียนอย่างนี้ช้างก็ไม่เหยียบช้างเดินไปแล้วมันเดินเอาขาเนี่ยข้ามาาไปข้ามม า, าข้ามไปข้ามมาเอ็นะเข้านอนแล้วไอ้ช้างนี่มันคงเห็นคนละมั้งอย่ากันนั้นเลยเอาเสื่อลำแพนปิดอีกดีกว่าพอเอาเสือลำแพนปิดช้างมันก็เหยียบไม่ได้อีกนี่ แม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันยังรู้จักคุณของคนดีมันยังรู้จักคุณของคนที่ทําประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองพระกลับผู้ใหญ่บ้านกำนันพระราชาเสียอีกไม่รู้จักบุญคุณคนไม่สอบสวนให้รู้โดยท่องแท้แต่พอมาภายหลังมารู้เข้าก็เลยรู้ว่าอ๋อมคะมานบกับพวกอีกสาสิบสามคนนั้นทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมือง ก็เลยได้ยกย่องตั้งตัวให้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็จับนายบ้านคือผู้ใหญ่กำนันนั้นไปประหารชีวิตปรากฏว่ามคะมานบกับเพื่อนอีกสามสิบสามคนนั้นเมื่ อ, อาตายไปแล้วก็ไปบังเกิดในสวรรค์นะนี่ก็เล่าเพียงย่อๆว่าคนที่ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมนั้นมักจะได้รับความสุขความเจริญโดยทั่วกันมาในข้อสุดท้ายคือข้อที่สี่ก็คือสมาัตตาตาสมาัตตตาก็คือว่า การวางตนสม่ำเสมอนะไม่ถือเนื้อถือตัวหมายถึงว่าการวางตัวสมกับภาวะสมกับฐานะของตนไม่วางตัวสูงเกินไปจนกลายเป็นที่เย่อหยิงจองห้องไม่วางตัวต่ำเกินไปจนกลายเป็นที่ดูมินเยียดยำออของผู้อื่นหรือตัวเองในทางปฏิบัติก็คือว่าผู้ปฏิบัติจะต้องรู้จักฐานะว่าตนมีอยู่ว่าตนมีฐานะเป็นอย่างไรตามความเป็นจริงเช่นว่า เป็นบิดาเป็นบุตรเป็นศิษย์เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้ใหญ่เป็นพี่น้อยเป็นพระสององค์เนรพระเทศเนนทีเราควรจะวางตนอย่างไรจึงจะให้เหมาะสมกับฐานะอย่างนั้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าว่าเราวางตนได้เหมาะสมอย่างนี้แน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความเจริญนะมีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองอย่าไปตีตนเสมอท่าน นะเป็นผู้ใหญ่ก็พูดกับผู้น้อยด้วยความพูดกับผู้น้อยด้วยความเมตตาเป็นผู้น้อยก็พูดกับผู้ใหญ่ด้วยความเคารพผู้น้อยก็ต้องคอย เ, อ Ein. เรียกว่าคอยก้มประนมกรนะผู้ใหญ่ก็คอยก้มดูผู้น้อยก็ด้วยความเมตตาพูดกับเพื่อนมิตรสหายก็พูดด้วยความปรารถนาดีเหมือนกับคนรักคนสหายกัน อ, อย่างนี้มันก็จะเกิดประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายฉะนั้นคุณธรรมทั้งสี่อย่างนี้ที่ได้ชื่อว่าสังขาวัตถุยังมีชื่ออีก อีกหลายๆอย่างตามที่คนเขาให้ชื่อว่าเป็นสเสน่ห์มหานิยมถ้าผู้ใดได้ประพฤติปฏิบัติผู้นั้นก็จะมีแต่คนรักมีแต่คนนับถือและยังได้ชื่อว่าเป็นลิมสลักหัวใจหมายถึงว่าถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะต้องประทับจิตประทับใจกับคนทุกคนเหมือนกับลิมสลักหัวใจตรึงจิตใจกันไว้อย่างเหนียวแน่นไม่มีวันที่เราจะพลากจากกันมีแต่ความรักกันด้วยความสนิทสนมใจเอาละ การที่ได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องสังหาวัตถุมาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร